พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนันนะเพราะองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นูน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้รู้ล่วงไปจนได้ ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเอยแต่อย่างใดในเมื่อมองเห็นว่าการกระทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทําไปเลยแหละ <c oughs> อันธรรมดาพระพุทธเจ้านม ผู้สร้างบารมีปาถนาเป็นพุทธเจ้านั้นท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวไม่ได้มุง่งลาบยศสรรเสริญในความสุขใ ด, ดในโลกอันนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระ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 แต่พอที่สัตว์บางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปไปเกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้า อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นกนะ็ข้าพระ อ, องค์นี้ปรารถนาเป็นผู้เจ้ามาแล้วแล้ว นานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพราะองค์นี้ถึงจะเต็มได้พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดทอดถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบารมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับ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 พอมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคําว่าอุปสรรคนั้นน่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองแหละเอาทําอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้อ้าก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้ว เราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกเปล่าๆทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับมนี่หรือทำนาทำสวนเอาเกิดแรงเกิดแห้ ง, งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็ มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้เมื่อนี่คำว่าอุปสรรคของชีวิตนะอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเช่น<ม>ขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลย<ม>เป็นอย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝน ล, ลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆหมู่นี้นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปขาดยุกยาก็ไม่ได้อีก โรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึยได้ชื่อว่าเป็นพี่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่าบางคนก็รู้จักประมาณ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 ไม่ไหวจะไปทานมือเดียวอ่ะไม่ไหวอ้างว่าทำการงานหนักเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวอืเ <c oughs> ป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือน <c oughs>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 พากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นหะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้า ไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั้นหลังจอมปลวกนั้นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้นลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกรี๊ดเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูก แทนที่จากกวีกววาดไปอุ้มเอารูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระ อ, องค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงกนนั่งก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญญาตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอารูกนั่นมา แล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัด น, นี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้านู้นพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมด เด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในป่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนี่ยนัย่นแหละว่าเอาใบไม้รอง ผ, อผ้าปูนั่งผ้านอนลงไปแล้วก็ น, นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไป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 เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยในหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาประธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเลื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาประธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ เรามาสันโดษนั้นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ทีงกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้าถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิพอ่ะ น, นี่มันตีความหมายผิดไปอะนน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 ขอนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทํามาหาเลี่ยงชีพทุลุมุลรุ่นวายยิ่งกว่าหน้าปวดหลายเท่าเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกสเสด็จบิณฑบาตเป็นกิจวัตรเลย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 เราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักกลัวเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยอเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยอะใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เหลียวแลกันอย่างนี้นะ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 ถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยียวไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดด้านเลียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทมเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผูกมิรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกัน นี่เราถือทำเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นําเอาลัทธิเห็นแก่ตัวนั่นแหะเขามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะ่ะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นเนะ่ยอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะเราต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแม่ในวัดบาอาราม อันนี้เนี่ภิกษุสามเณรชายยกชายกาอยู่ด้วยกันมากๆนี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือ กิโยยากันไปพอนาไปลงพยาบาลก็พาไปลงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปองรองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกันเมื่อเราปรองรองสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้ว การปฏิบัติธรรมการเจริญสมรมะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้คิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้น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 แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจําเอาหลักสูตรแห่งพระธรรมวินยัยให้มันเต็มความสามารถของตนแหละ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 ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอกตั้งใจเรียนทมวินยัยแล้วํำรวมตนตามทาวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทาล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดีขยันมันเพียรทาข้อวัดปฏิบัติไม่เกียดคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลา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 วายมานดาวีดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เปิดเพิินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกีใจหลายแม้ว่าลูกนั้นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียว่าให้อภัย อนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่ออตอบบุญแทนคุณท่านค่าเข้าป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตัสว่าการบวชนี่แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดี กลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละพร ะ, ะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพฤติพรมาจันท์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็เชักจุงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำําศีลได้แนะนํำให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ถ้าหากว่าบวชไปนานๆนไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเปื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้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 แต่แม้ตนจะสร้างอาบุนกุศลให้แก่ตนของตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตงต่อทำวินัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้นะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากัรตั้งอกตั้งใจ การภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นหน้าคือแล้วฝึกขัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอ่ะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้